จับหลักแม่นๆนะแล้วก็ภาวนามากๆถ้าหลักไม่แม่นก็อย่าเพิ่งขยันถ้าทําผิดแล้วก็ขยันแล้วก็ผิดมากถ้าใจเย็นๆนิดนึงเรียนให้ได้หลักก่อนรู้วิธีนะรู้รู้เหตุรู้ผลรู้ว่าจะต้องทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรอย่างเราจะทําสมถะทําไปเพื่ออะไร เพื่อให้จิตใจมีเรื่อมีแรงได้พักผ่อนจะทำอย่างไรเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะพุโทโธมีความสุขเราก็อยู่กับพุโทโธหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดใช้หลักนี้ครอบคลุมกรรมฐานได้หมดเลย กรรมฐานที่ดีนะควรจะเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราเองนะเพราะว่าไปไหนก็ไม่ต้องแบกหามไปอยางจะทำกะสินกะสินดินกะสินอะไรนะ้าต้องเอาดินมาปัาน้นกลมๆนะเท้าฝาบาดอะไรเงี้ยทำตำํต า, ายุ่งมากเลยนล่จะเล่นกะสินไฟจุดเทียนเขนั่งดู ไปไหนก็ต้องพกเทียนไปด้วยนะเทียนหมดแนะล้วลาบากแต่อย่างเราใช้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจหมดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเกิดอีกหายใจอีกไม่ต้องซื้อหรอกหรือเราดูบริกรรมพุโทโธพุโทโธเนี่ยไม่เสียสตังซื้อเราก็ไม่ต้องไปแบกไปหามกรรมฐานเอาที่มันสะดวกอย่างเราเล่นกับสินไฟนะต้องต้เพ่งเทียน ถ้ไม่เพ่งเทียนทำไม่ได้เงี้ยเราไปอยู่บนรถเมล์เงี้ยไม่ไปจุดไฟขึ้นมาได้ไงอยู่บนเรือบีเนี่ยจุดไฟไม่ได้แต่อยู่ที่ไหนก็หายใจได้หากรรมฐานที่มันสะดวกสะดวกแล้วก็สบายอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะใช้อนาปานาสติพวกเราอาจจะไม่ใช้อนาปานาสติก็ได้นะ จะดูท้องพองยุบ่อได้จะขยับมืออย่างหลวงพะะเทียนก็ได้อะไรก็ไดนะ้เคล็ดมันอยู่ที่ให้มีความสุขก็แล้วกันธรรมดาจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะวิ่งไปวิ่งไปดูรูปโดยหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังเสียงโดยหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปดมกลิ่นนะหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปลิ้มรสไปรู้สัมผัส ท, ทางกายก็หวังว่าจะมีความสุข วิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจก็หวังว่าจะมีความสุขนะี่ยเที่ยวแสวงหาความสุขก็เลยวิ่งพล่านพลนไปแล้วหาไม่ได้ไปดูสมมติไปดูหนังหวังว่าจะมีความสุขมีประเดียวประดาเดี๋ยวก็ไม่สุขก็ต้องวิ่งพล่านไปหาอารมณ์อันอื่นเอนการที่เรายัางต้องยิงอาศัยอารมณ์ภายนอกนะใจก็วิ่งพล่านไปเรื่อยๆสู้เรามาหาอารมณ์ภายในนะ ที่ว่าถ้าจิตเราไปรู้เข้าแล้วมันมีความสุขนะถ้าทำให้ได้นะจะมีความสุขจริงๆอย่างเราอยู่กับพุทธโธถ้าจิตเราชอบพุทธโธนะเดี๋ยวเดียวก็สงบนะลก็สงบเพราะอะไรเพราะจิตมันพอใจในพุทธโธมันก็ไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นๆไม่เหมือนอารมณ์ทางโลกเรียกว่าการมาคุณอารมณ์การมาคุณอารมณ์เนี่ยเสพแล้วเบื่อแต่ไม่เบื่อกามนะ จะเบื่ออันนั้นอ่ะแล้วจะไปหาอันใหม่มีภรรยาหนึ่งคนนะก็เบื่อต้องหาคนที่สองที่สามไปเรื่อยๆมีเสื้อผ้านะผ้าก็ยังดีอยู่แต่ใช้ไม่ได้แล้วเบื่อใครเคยเป็นไหมชี้เกียจติใช้แล้วไม่เอาแล้วเบื่อใช้มานานแล้วนะบางทีเราจะไปซื้ออะไรสัก อ, อย่างนะเราเลือกที่ทนทนนะ ทนมากเลยสดใช้ยเราทนตัวเองไม่ได้เราทนเบื่อไม่ได้ไอ้ของนี้ไม่พังสักที ใ, ใจเราเที่ยวหาอารมณ์จะหาความสุขนะแต่แฟบเดียวมันเบื่อมันไม่เหมือนความสุขความสงบภายในของเราความสุขความสงบของจิตใจมันไม่เบื่อหรอกมันมีแต่จะติดทําแล้วมันมีความเพลิดเพลินมีความสุขมันจะติดด้วยซ้ําไปมันไม่เบื่อง่ายหรอก ไม่เหมือนกรรมคุณอารมณนะ์เห็นรูปอันนี้มีความสุขสักภาคหนึ่งก็ไม่มีความสุขแล้วเคยไม่ฟังเพลงเพลงปโปรดฟังแล้วมีความสุขพอใจชอบฟังฟังทั้งวันเลยฟังสักพักเดียวนะก็ทนฟังไม่ได้นะเอาซีดีไปเก็บแล้วทนไม่ได้นะอุตส่าห์เสียงเงินซื้อมานะเก็บมาไว้แล้วไม่ไปเปิดละขี้เกียจฟังนความสุขด้วยเสียง ความสุขด้วยรสเพรว่าชอบกินทุเรียนหมอนทองนะไปซื้อทุเรียนมากินจะกินได้สักเท่าไหร่เนะีเดี๋ยวก็เอียนความสุขอย่างนี้ก็ชั่วคลาวนิดเดียวเองไม่เหมือนความสุขของสมาธินะจิตใจมีความสุขมีความสบายงั้นเราเลือกอารมณ์ภายในของเรานะแล้วน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ภายในของเราเนะี่ยสบาย อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายนะอะไรก็ได้ถ้าจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรมันก็จะสงบอยู่ในอารมณ์มันนั้นนะมันมีความสุขในอารมณ์ใดมันก็สงบอยู่ในอารมณ์นั้นงั้นถ้าพุโทโธแล้วมีความสุขจิตก็ไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นไม่แส่สาย จิตก็มีสมาธิขึ้นมาสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคําว่าสงบนั้นก็คือสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเนี่ยเรารู้นะว่าเราจะทําสมถะทําเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจได้สงบได้พักผ่อนได้สงบได้พักผ่อนนะจิตจะมีพลังมีเรี่ยวมีแรงในการเจริญสติเจริญปัญญาต่อไปถ้าจิตไม่มีแรงนะจิตเหนื่อยจิตล้าป้อแปน เป็นธทำวิปัสสนานะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดแรงไปเลยพอหมดแรงนี่อาการอันหนึ่งจะเกิดขึ้นคือจิตจะไม่ถึงฐานนะจิตจะเคลื่อนออกไปถ้าสมาธิคือพลังของจิตที่สงบไม่พอนะความสงบก็มีประโยชน์นะั่นไม่ใช่ไม่มีถ้าเราได้พักพอสมควรจิตสงบจิตจะมีแรงถ้าจิตไม่มีแรงจิตจะเคลื่อน จิตจะไหลไหลพอนั่งสมาธิจิตก็ไหลไม่มีแรงหรอกไหลๆหลไปทำอะไรจิตก็ไหลไปหมดเลยจะดูรูปจิตก็ไหลไปหารูปจะฟังเสียงจิตก็ไหลไปหาเสียงจะดมกลิ่นลิ้มรสจะรู้สัมผัสทางกายจิตก็ไหลออกนอกไปหรือจิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดนะจิตที่ไม่มีแรงมันจะไหลๆหลไไปเรื่อยๆนะถ้าจิตมีเรี่ยวมีแรงนะจิตใจยิ่งเรามาฝึกสมาธิอย่างที่สองด้วยเนี่ยมีแรงด้วย สมาธิถูกต้องด้วยนะโอ้จะเป็นกำลังในการเดินปัญญาอย่างดีเลยนะจิตก็ต้องการพักเช่นเดียวกับร่างกายนะจิตก็ต้องการพักร่างกายเราก็ให้พักผ่อนพักผ่อนมีแรงแล้วก็ไปทำงานจิตเราก็ให้พักผ่อนนะพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ไปทำงานงานของจิตก็คือการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานนี่เราต้องรู้หลักนะไปเลือกเอา ว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดใดแล้วมีความสุขนะควรจะเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของตัวเองอารมณ์ข้างนอกมันมีปัญหาเยอะนะอย่างสมมตเราทำกะสินเราไปดูออกนอกดูออกนอกเนี่ยมันได้สมาธิชนิดสงบนะแต่ว่ามันได้สมาธิชนิดตั้งมั่นยากนะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ข้างนอกนะถ้าเป็นอย่างลมหายใจมันอยู่กับเรานี่ อยู่ข้างในตัวเราเนี่ยในใจจิตจะได้ไม่ไหลออกไปสมาธิมีสองแบบสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้เป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์จิตไม่ได้ไปรวมอยู่กับอารมณ์จิตจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูอารมณ์ สมาธิอย่างที่สองเนี่ยเอาไว้เดินปัญญาเดินเดินปัญญารวดไปเลยนะสมาธิอย่างที่หนึ่งไม่พอขึ้นมาเนี่ยสมาธิอย่างที่2บางทีตกไปด้วยเหมือนกันหลวงพ่อเนะี่ยทสมาธิอย่างที่หนึ่งเนี่ยมาตั้งแต่เด็กหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะทําอยู่เรื่อยจิตสงบแล้วเดินปัญญาไม่เป็นหรอกพอสงบไปแรกๆเนี่ยเราไม่รู้หลัก จิตมันสว่างออกมาแล้วมันฉายแสงออกไปเนหะมือนเราฉายไฟฉายออกไปข้างนอกฉนะายไปถึงไหนเราก็เห็นไปถึงนั่นนะมันฉายไปถึงสวรรค์นนะก็ละคล้ายเราไปถึงสวรรค์เลยเนหะมือนเราไปปรากฏขึ้นบนสวรรค์เ น, นะนี่ยจิตออกนอกทั้งสิ้นเลยนะเป็นเรื่องของนิมิตทั้งหมดเลยได้เห็นเลยเทวดานะปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยดอกไม้สวยงามมากมายแต่ไม่มีดินหรอก แล้วเวลาเดินชมต้นไม้ก็ไม่เดินไปที่พื้นนะลอยลอยไปเหนือพื้นนะชมน้อนชมนี่นะเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้ว่องไวนี่สีดอกนอ ก, นอกจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ตัวเราสนุกเลิศเผลนนะไปเที่ยวนอนเที่ยวนี้อะไรเงี้ยต่มาหลวงพ่อกลัวผีนะกลัวว่าออกไปเจอเทวดาเนะี่ยไม่กลัวถ้าเกิดไปเจอผีจะทำไง พอคิดถึงผีนะั้นได้ผีเป็นอาจารย์เลยไม่กล้าส่งจีรออกนอกหายใจแล้วพอมันจะเคลิ้มนะั้นก็รู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดหนึ่งก็ไม่เคลิมนะหายใจไปไม่เคลิมหายใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกพอจะเคลิมก็รีบรู้ขึ้นมาให้เข้มขึ้นนิดหนึ่งให้เข้มแล้วก็คลายออกถ้าเข้มมากไปมันจะแน่นนะในส่วนจิตใจมันตั้งมั่นอยู่นะเพราะเขามันเคลื่อนเรารู้มันเคลื่อนเรารู้นะอันนี้คลํา ม, มาแบบไม่มีครูนะ ทำมาเรื่อยเลยว่าทำยังไงถึงจะดีทีแรกจิตเคลื่อนไปก็ว่าดีเห็นโน้นเห็น น, น, น, นี่ต่อมากลัวก็เลยคอยระวังไม่ให้จิตเคลื่อนพอมันจะเคลื่อนก็รีบรู้สึกรีบเคลื่อนรู้สึกรู้สึกเรืยทีแรกก็รู้สึกร้อแน่นแต่อมาชํานาญนะแค่ฝนเคลื่อนปุ๊บแค่เห็นนะใจก็รู้สึกขึ้นมาไม่แน่นสบายได้ตัวรู้ขึ้นมาเสร็จแล้วเดินปัญญาไม่เป็นหรอก เดินปัญญาไม่เป็นจนผ่านไป22ปีทาสมาธิอยู่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนทสมาธิเรียนสมถะเนี่ยเรียนจากท่านพ่อลีวัณสการามไปหาท่านปีศูนสองปีศูนย์ท่านก็สิ้นแล้ะเรายังเล็กๆเลยแต่ยังไม่ได้หลักของอิปัสนาไม่ใช่ว่าท่านสอนไม่ได้นะท่านเป็นพระดีองหนึ่งแต่ว่าเราเด็กมากท่านสอนเบสิคให้ทาสมถะ แต่เราทําสมธาธิแล้วเราก็ ป, ประคองตัวนะพลิกขึ้นมาให้เป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเพราะว่ากลัวว่าถ้าไหลออกนอกเนี่ยจะไปเห็นผีเขางั้นพอจิตมันจะเคลื่อนก็รู้จิตมันจะเคลื่อนก็รู้จิตเลยตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้ ป, ประคองนะไม่ได้ทําให้มันตั้งนะมันตั้งของมันเองเพราะว่าเรารู้ว่ามันเคลื่อนถึงเอามาสอนพวกเราไง ว, ว่าถ้าจิตเคลื่อนแล้วเรารู้นะจิตไหลไป เ, เรารู้เนะี่ยเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมา พูดเต็มปากเต็มคําเลยเพราะผ่านมาด้วยตัวเองเลยเมื่อเราได้สมาธิอย่างนี้แล้วนะถ้าเดินปัญญาไม่เป็นเราก็จะรู้สึกตัวอยู่เฉยๆรู้สึกตัวอยู่เฉยๆทรงสมาธิอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะในพระไตรปิฎกท่านจะสอนไหมพอเราทําสมาธิแล้วนะท่านบอกให้โน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะ คือต้องไปเจริญปัญญาไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยเยหลายคนมักง่ายนะสอนสอนกันบอกให้รู้สึกตัวเฉยเฉยแค่นี้พอแล้วไม่พอเพราะยังไม่ได้เดินปัญญานะรู้สึกตัวเป็นแค่จุดตั้งต้นที่ว่าสามารถจะเจริญปัญญาได้แต่ยังไม่ได้เจริญปัญญาอ่านไป22ปีนะกับการฝึกสมาธิได้สมาธิทั้งสองอย่างแหละไ่เจอหลวงปู่ดุล หลวงปู่สอนให้ดูจิตตัวเองท่านไม่พูดเรื่องสมถะเรื่องวิปัสนาอะไรหรอกไปถึงไปถามท่านบอกหลวงปู่ผมอยากจะภาวนานะท่านก็นั่งหลับตาเงียบๆไปนะเกือบๆชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านสอนการปฏิบัตินะีไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองนะเข้าใจไหม ตอนนั้นปลื้มนะหลวงปู่พูดด้วยแล้วนั่งลุ้นอยู่นอนเนยถามแล้วท่านนั่งหลับตาไปนึกว่าท่านนั่งหลับนะตอนนั้นไม่ได้รู้เรื่องเลยไปหาท่านตอนท่านฉันข้าวเสร็จแล้วตอนเช้าเมื่อท่านอายุทั้งเก้าสบห้าเนี่ตอนนั้นท่านออกมานั่งที่ระเบียงเข้าไปกราบท่านก็เลยตึกว่าท่านนั่งหลับไปเมื่อท่านพูดด้วยแล้วดีใจ การปฏิบัตินี่ยไมย่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองรู้ด้วยนะเราอ่านหนังสือเยอะพ่ออ่านพระไตรปิฎกทั้งหลายรอบเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกหาวิธีที่จะปฏิบัตินะไม่มีอาจารย์ก็ไปดูพระไตรปิฎกเสร็จแล้วไม่รู้จะปฏิบัติไงนะมันเยอะแยะไปหมดเลยนะเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อมหาเขียนเจ้าคุณอริยะเวทีมหาเขียนเนี่ยอยู่กาลสิน หมายน้นไปยากนะนั่งรถทัวร์ไปไปถามพระก่อนจะไปถึงท่านก็ไปถามพระครูบาอาจารย์ที่โคราชท่ายัางอยู่นองค์นี้ที่วัดสุทธาจินดาว่าจะไปหาเจ้าคุณอริยะเวทีมหาเขียนเลยที่ไหนท่านก็บอกทางให้ท่านบอกลงจากรถทัวรนะ์นั้นเดินนิดเดียวก็ถึงล้สั้นๆเข้าซอยไปนิดเดียวเราก็เชื่อท่านนะก็เดินอู้เดินตั้งครึ่งวันได้ นะท่านบอกว่าซอยสั้นนิดเดียวนหละวันหลังกลับมาต่อว่าท่านนะหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อว่ามันใกล้เดินต้องหลายชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเ อ, เลอ้าวเหรอไม่รู้หรอกพอขึ้นรถได้อะตมาก็นั่งสมาธิเลื่มตาขึ้นมาก็ถึงแล้วโอ้โหดท่านไม่นั่งทั้งคืนเนาะท่านบอกมันแป๊บเดียวไป <c oughs> ห, หาเจ้าคุณระยะเบตทีนะั้นท่านก็คุยธรรมะอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านบอกว่าตอนนี้ท่านท่องพระไตรปิฎก ท่านอยากรู้ว่าพระอนนท์จำพระสูตรได้ทั้งหมดจริงหรือไม่จริงหือที่สมองคนจะจำได้ไหมท่านท่องได้แล้วบอกตอนนี้ท่องไปได้สาสิบกว่าเล่มแล้วนี่จะท่องให้จบตอหลังได้ยินว่าท่องได้สี่บห้าเล่มจบเลยนะจําพระไตรปิฎกได้เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านพบอะไรอย่างหนึ่งที่ท่านท่องพระไตรปิฎก ท่านพบว่าธรรมะทั้งหมดเลยนะเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรที่ว่าเกินการปฏิบัติเลยเองเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยแต่จริตนิสัยของคนนี่แตกต่างกันมากธรรมะเลยมากแต่ถ้าดูเป็นแล้วจะรู้เลยว่าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่มีที่ว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกนะท่านสอนใบไม้หนึ่งกำมือเนี่ยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติเพื่อวความพ้นทุกข์เท่านั้นงั้นในพระไตรปิฎกที่มากมายมหาศาลนี่เป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งนั้นนี่ท่านว่านะถ้าท่านแตกฉานมากปริยัตท่านก็เก่งนะะเรียนก้าปฏิบัติท่านก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันแต่หลังๆก็ได้ยินว่าหลวงตามหาบัวก็ชมนะภาวนานดีเก่งทุกอย่างคนไม่ค่อยรู้จักท่าน นีพระพระไตรปิฎกเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องการปฏิบัติแล้วเราควรแก่พระไตรปิฎกตรงไหนจะเอาธรรมะหมวดไหนบทไหนมาปฏิบัติไม่เยอะแยะยากนะยังบุญว่าไปเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลท่านเจาะอาให้เลยเอาตรงนี้ไปดูให้ไปดูจิตตนเองอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเอง ท่านให้อ่านจิตตนเองนะก็อ่านไม่เป็นออกมาจากท่านแล้วลื้มว่าท่านพูดด้วยนะท่านถามเข้าใจไม่เข้าใจครับเหมือนที่พวกเราหลวงพ่อถามเข้าใจไม่เข้าใจครับเข้าใจค่ะไม่เข้าใจหรอกเราเห็นหน้าก็รู้แล้วนะแต่ต้องปล่อยไปก่อนเวลานั่นแหละจะสอนเราพอนะกลับมาเนี่ยนะขึ้นรถไฟได้รถไฟเคลื่อนทน น, นึกขึ้นได้เลยว่าไม่รู้เรื่องสักอย่างที่ท่านบอกท่านบอกให้ดูจิต จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยดันไปบอกท่านว่าเข้าใจแล้วเด้วยความดีใจปีติก็ตกใจขึ้นมาไม่รู้จะทํำยังไงหายใจเข้าพูดหาใจออกโทนี่แหละก็เคยทําสมถะมาอันนี้ก็เป็นหลักอีกข้อหนึ่งนะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ดูไม่รู้เรื่องแล้วนะ ทำสมถะไว้นี่เป็นแนวตั้งรับอ่านสุดท้ายของเราแล้วถ้าหลุดจากนี้คือหลงโลกและวฟุ้งซ่านละวงั้นทําอะไรไม่ได้ทําสมถะไว้ก่อนก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยหลวงพ่อก็มาหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยนะภาวนาพอใจสบายใจสงบแล้วเนี่ยใช้การคิดพิจารณาตัวนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการ์แลคิดพิจารณาอย่างแยกขายไม่ใช่คิดทรงเดชเรื่อยเปื่อยคิดธรรมะเยอะแยะไปหมดเลยนะ บางคนเอาแต่คิดธรรมะแล้วบอกโยนิโสไม่ใช่นั่นคือฟุง้งซ่านโยนิโสมนาศสิการจะทำได้นะถ้ามีสมาธิรองรับอยู่ด้วยนะไม่งั้นมันจะฟุ้งอยู่โดยธรรมชาติเลยพ่อหายใจจิตสงบแนละ้วก็ามาพิจรารณาหลวงปู่บอกว่าให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในตัวเรานี่แหละจิตเป็นธรรมชาติที่รู้นะจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตเป็นตัวรู้นิใจมันก็คิดๆนะ จิตมันเป็นคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้ต่อไปนี้เราไม่ปฏิบัติเกินกายออกไปนะการศึกษาการเรียนรู้ธรรมะของเรานะจะวนเวียนอยู่ในกายในใจของตัวเองนี่นี่เป็นหลักการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะเห็นไหมว่าเดินมาถูกหลักเป๊ะๆ เ, เ, เลยทําไมถูกหลักได้มันทํามันนานนะทำมาันานเวลาเดินนะั่นพวกเรามจะเดินแฉลบออกนอกหลักมากกว่า ให้ทำอย่างนี้ก็หลุดออกไปทางโน้นอะไรเงี้ยต้องภาวนากันมากๆนะสะสมหลายภพหลายชาติเลยเวลาเดินมันจะเดินหลงล่องมันพอดนะีทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนนะการใช้ปัญญาต้องมีสมาธิพอสมควรไม่มีสมาธินุนหลังที่ไปคิดพิจารณานั้นฟุง้งซ่านแต่ตรงนี้ไม่ใช่วิปัสสนามันยังเป็นการคิด มีโยนิโสมันาสิการการปฏิบัติต้องไม่เกินกายเกินใจของตัวเองเออกไปเรียนรู้วนเวียนอยู่ในกายในใจนี่เป็นหลักทั้งนั้นเลยถ้าพวกเราพลาดจากหลักอันนี้ที่กล่าวมานี้นะเราเละเทะเลยเราภานามไม่ได้จริงหรอกนิพพาจิตมันอยู่ในร่างกายไม่อยู่ตรงไหนดูเข้าไปที่ผมดูดูดูเข้าไปในผมนะ จนผมหายไปนะั่นก็หาจิตไม่เจอดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะมันอยู่ในร่างกายนะแต่มันไม่อยู่ส่วนไหนของร่างกายเลยแปลกอยู่ในมือก็ไม่ใช่อยู่ในสมองก็ไม่ใช่นะไล่ไล่ไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงจิตอยู่ในร่างกายแต่จิตไม่ใช่ร่างกายแล้วละ่ะทีแรกยังไม่รู้เลยนะว่าจิตเป็นธรรมชาติรู้ทีแรกไม่รู้ว่าจิตคืออะไรหลวงปู่ให้ดูจิตนึกว่าเป็นอะไรเป็นดวงดวงอะไรสักอย่างอยู่ในร่างกาย เที่ยวค้นอยู่ในร่างกายในสุดพบว่าร่างกายไม่ใช่จิตหรอกนึกดูเอ๊แล้วอะไรเป็นจิตความสุขความทุกข์เป็นจิตละมั่งนะความสุขเป็นจิตหรือความทุกข์เป็นจิตหรือเปล่าแล้วนะทำสมาธิใหม่จิตมีความสุขมากเลยดูลงไปในความสุขนะความสุขสลาย ต, ตัวไปเปนอุเบกขาขึม้มาไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลย อันนี้เอาใหม่าหาความทุกข์บ้างนั่งไม่กระดุกระดิดเลยนั่งนานๆให้มันเมื่อยเมื่อยมากๆนั้นดูลงไปที่เมื่อยนะเชจนว่าทั่งนั่งนานไปขาชานะหายเมื่อยเลยนะเพอหายเมื่อยไปไม่เห็นมีจิตเลยนะในความเจ็บความปวดนั้นไม่ได้มีจิตหรอกก็ไลยมา น, นึกใหมให่หรือว่าจิตเป็นความคิดนะเนี่ยตอนนั้นคลําเมาทั้งนั้นเลยนะ เพราะครูบาอาจารย์ไม่บอกอะไรเยอะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนไม่เหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกอะไละเอียดยิบเลยเพราะว่าพวกเราขี้เกียจบอกน้อยนะไม่ทําจริงรอ่บอกให้มากอย่างนี้ยังทําไม่ค่อยไหวเนาะขี้เกียจหรือว่าคิดว่าความคิดเป็นจิตก็จงใจคิดคิดอะไรดีเราคิดบทสวมดมนต์พุทธโธสุสุธโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดังห้วงมหนันนะกพอคิดว่าพุทโธสู่จุดโธกรุณาหันนโรนะเห็นกระแสของความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาความกระแสของความคิดนั้นมันเลื้อยขึ้นมาจากความว่างแล้วก็สลายไปในความว่างนะทันทีที่เห็นจิตที่คิดเนี่ยนะนะตัวรู้ก็เกิดอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยนั่งรถไฟจากสุรินมานะมาแวะโคราชหาหลว พ, พ่อพุธหน่อยหนึ่งก็ขึ้นรถไฟต่อมากรุงเทพ จะมาถึงหัวลำโพงเนี่ยถึงได้ส่วนมนต์ขึ้นมาใกล้ๆหัวลําโพงแล้วนะพอไล่ในขันนะไล่ขึ้นไล่ลงในขันทั้งหลายเนะี่ยหาจิตไม่เจอก็คิดหมดส่วนมนต์ขึ้นมาปุ๊บเห็นกระแสของความคิดเลยขึ้นมาปุ๊บความคิดขาดสะบั้นเลยพอสติเข้าไปรู้ทันนะความคิดจะขาดเลยตัวรู้ก็เด่นดวงขึ้นมาเพราะตัวรู้กับตัวคิดเนี่ยตับข้างกันเมื่อไหร่เป็นตัวคิดนะตัวรู้มักจะหายไปยกเวน้นยเว้นพระอรหันนะ ตัวรู้มันไม่หายแต่ไม่ได้รักษาตัวรู้มันกลายเป็นธาตรู้ไปจะว่าเป็นตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวรู้หรอกพอเรารู้ทันจิตที่คิดเท่านั้นเองจิตรู้ก็เกิดถึงเอามาสอนพวกเราเต็มปากนะให้รู้ทันจิตที่คิดนั่นแหละดีที่สุดเลยถ้ารู้ทันจิตที่คิดเมื่อไหร่จิตรู้ก็เกิดตรงที่รู้ทันจิตคิดแล้วจิตรู้เกิดนี่แหละเราได้สมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญาละวพอจิตรู้เกิดปุ๊บนะนึกขึ้นได้เลยเฮ้ยไอ้นี่ของเก่า ไอตอนที่นั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กนะมันก็มาตรงนี้แหละเพราะเราไม่นั่งแล้วก็ไหลออกข้างนอกไปนะพะจิตจะเคลื่อนไปเรารู้ทันจิก็ตั้งมั่นขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาแต่ถ้าตัวรู้นี่เกิดขึ้นมาจากการทําสมาธินะจะมีพลังมากนะจะทรงตัวอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกินเจวันก็จะเสื่อมเหมือนกันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สมาธิก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันต้องทำเรื่อยๆ งั้สมาธิไอ้ตัวรู้ที่ได้มาจากการนั่งสมาธินะกับตัวรู้ที่ได้มาจากการมีสติรู้จิตที่เคลื่อนจิตเคลื่อนไปเรารู้หรือว่าจิตไปคิดเรารู้ส่วนใหญ่จิตที่เคลื่อนเนี่ยจะเคลื่อนไปคิดเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือเคลื่อนไปคิดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตื่นคิดทั้งหลับตอนหลับก็เรียกว่าฝันถ้าเราเห็นจิตที่เคลื่อนไปคิดปุ๊บนะี่ยจิตรู้จะเกิด หรือความจริงถ้ารู้ว่าจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปไหนก็ได้นะรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตก็จะไม่เคลื่อนจะตั้งมั่นเพราะจิตเคลื่อนเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะชนิดอุทัจจะความฟุง้งซ่านถ้าเมื่อไหร่สติอย่างรู้ว่าจิตกําลังมีโมหะอุทัจจะอยู่เนี่ยตัวอุทัจจะความฟุง้งซ่านโมหะจะดับทันทีจิตจะตั้งมั่นขึ้นทันทีเลยงั้นวิธีให้เกิดสมาธินะแทนที่จะไปบังคับจิตให้สงบนะ ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปแทนที่จะบังคับให้สงบนะเอาแค่รู้ว่ามันฟุ้งไปมันไหลไปมันสงบอัตโนมัติขึ้นมาเลยมันจะดีวิเศษกว่าคอยบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนถ้าบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนนี่นจะเครียดมากเลยหนักจะไม่ได้สมาธิที่แท้จริงเนี่ยครูบาอาจารย์เคยสอนเคล็ดแว่นหนึ่งหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์สามสี่องค์แล้วจำไม่ได้แล้วอันนี้ใครสอน ท่านบอกจะจับก็ให้แกล้งปล่อยจะจับก็แกล้งปล่อยนะให้แกล้งปล่อยคือเราจะให้จิตมันตั้งมั่นปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติรู้เอานี่เป็นเคล็ดวิชาเท่านั้นนะวันนี้เทย่ามให้เลยนะแล้วแต่จะรับได้แค่ไหนแล้วแต่บุญแต่กรรมเพาะงั้นเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนปั๊บจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัน่นได้สมาธิแล้วพอได้สมาธิแล้วอย่าไปรักษามันถ้ารักษามันก็คือการสร้างภพสร้างชาติ สร้างทุกขึ้นมาอีกถ้าจิตมีสมาธิแล้วเอาไปใช้งา น, นให้มีสตินะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่รู้ด้วยจิตที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนี่แหละถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะพอสติไปจับที่ลมหายใจจิตก็จะไหลเข้าไปที่ลมหายใจถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูพอสติระลึกรู้ท้องพองยบนะจิตจะไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องนะ ถ้าจิตไหลไปที่ท้องเรารู้ทันว่าจิตไหลจิตก็ตั้งมั่นแล้วก็เห็นท้องกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันอกันจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตเป็นคนดูถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติรู้ลมหายใจมันจะเห็นร่างกายที่หายใจอยู่นะกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแยกขันแนะแยกขัน amis. เวลารู้ลมหายใจนะถ้าจะรู้เพื่อความสงบใช้สติจับเข้าไปที่ลมหายใจ เวลาเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นอย่าเอาสติไปจับที่ตัวลมหายใจให้รู้สึกมันสบายๆทั้งตัวเลยเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูมีสติระลึกรู้ร่างกายหายใจจิตเป็นคนดนะูเวลาเดินจงกรมถ้าจะเอาความสงบนะให้จิตสงบเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเอาสติจับเข้าไปที่เท้าจิตจะเคลื่อนไปจับที่เท้านะได้ความสงบ แต่ถ้าจะเดินจงกรมให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะรู้สึกตัวสบายๆทั้งตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเสร็จแล้วมันจะปุ๊บ จ, จิตมันจะแยกออกมานะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยควรละอันกันนะเพราะงั้นถ้าเราจะแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยอย่าให้จิตมันถลําเข้าไปจับในอารมณ์ที่เราไปรู้เข้านะให้รู้กว้างๆรู้สบายๆนะรู้แบบผ่อนคลาย ให้จิตเป็นแค่คนดูอย่าให้จิตไหลเข้าไปยึดถือเข้าไปเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะถ้าจิตมันจะไหลเข้าไปเกาะให้รู้ทันมันจะมีกําลังตั้งขึ้นมาใหม่นะจิตไหลเข้าไปรู้ทันจะตั้งขึ้นมาใหมนะ่เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปเราจะเห็นในร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูถามว่าเห็นอะไรเห็นร่างกายไม่ใช่เห็นลมหายใจนะ เรารู้ลมหายใจจริงนะแต่เราเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากจะรู้สึกเลยไอ้ตัวนี้ทั้งตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเรานะแต่ถ้าเห็นแต่ลมหายใจนะไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจปัญญาไม่เกิดเลยมันไปคอนเซนเทรตไจับอยู่ที่เดียวนะปัญญาไม่มีหรอกนะเวลาเกิดกิเลสโลภโกรดหลงขึ้นมาจิตเป็นคนดูอยู่นะสติะระลึกรู้ความโลภโกรดหลงที่เกิดขึ้ น, นจะเห็นเลยความโลภโกรดหลงกับจิตเนียโค ล, ลานกัน แต่ถ้าสติไปจับที่ความโกรธนะแล้วจิตถลำเข้าไปเกาะมันจะกลายเป็นเพ่งนะความโกรธมันจะหนีได้นะหนีออกข้างนอกไปก็ได้พรอหนีไปถึงจุดมันจะสลายตัวหายไปเพราะมันไม่เที่ยงจิตเลยค้างอยู่ข้างนอกเลยงั้นพวกเราหลายคนที่ว่าดูจิตดูจิตนะจิตเคลื่อนออกไปข้างนอกแล้วไม่รู้ทันนะไปสว่างว่างอุ้ยสบายพอนานแล้วสบายสบา ย, บายกี่ปีกี่ชาติก็สบายอยู่แค่นั้นแล้วจิตไปติดอยู่ในความว่างข้างนอกอีกพวกหนึ่ง เห็นมันกิเลสฟุดขึ้นมานะรู้พิดที่กิเลสสติจับเข้าไปจิตจ่อไปอีกมันจะเคลื่อนหนีเข้าข้างในลึกลงไปนะพอลึกลงไปมากๆเราเที่ยวตามมันไปเรื่อยๆส่งจิตตามไปมันก็สลายตัวอีกเพราะมันไม่เที่ยงคราวนี้ก็เวรงวางอยู่ข้างในแล้วกิเลสหายไปไหนหาไม่เจอไล่จับมันอยู่เท้ๆมันหายไปงั้นอย่าไปไล่อย่าเอาจิตไปจี้ใส่มันนะ เราแค่เห็นมันทํางานไปเห็นว่าเออมีโทสะเกิดขึ้นมีราคะเกิดขึ้นใจเราเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นมีราคะเห็นคนอื่นมีโทสะไม่ใช่เรามีโทสะมีราคาะเลยท้ามันจะเห็นเป็นสภาวะนะราคะก็ไม่ใช่เรานะโทสะก็ไม่ใช่เราฟุ้งซ่านหดหู่ดีใจเสียใจสุขทุกข์อะไรไม่ใช่เราหมดเลยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าจิตอยูตาหากเป็นคนดู นะนี่เราจะเริ่มเห็นความจริงแนละ้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเลยมีขึ้นมาแล้วอยู่ชัว่วคราวก็หายไปนี่เรียกว่าอานิจจังนะตอนที่มีอยู่ก็ถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวเรียกว่าทุกขังนะจะมีขึ้นมาหรือจะตั้งอยู่หรือจะสลายตัวเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราวงการอันนี้เรียกว่าอนัตตานะนี่เฝ้ารู้ลงไปเรื่อยในทา่าในขันนะถึงชุดหนึ่งปัญญามันแพงตลอดลงไปกรนะทั่งตัวรู้ก็อย่ารักษานะ มีตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปทํางานเห็นธาตุขันตัวรู้เป็นคนดูอย่ารักษาตัวรู้ด้วยนะถ้ารักษาตัวรู้จะกลายเป็นเพ่งตัวรู้เป็นสมถะอีกแบบห น, นึ่งสมถะชนิดเพ่งจิตกนะานที่ว่าดูจิตถ้าจงใจดูเมื่อไหร่จะกลายเป็นสมถะทัทนทะีแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของตัวคนที่เป็นคนดูตัวที่เป็นคนดูท่านหนึง่งนะนะแค่รู้สึกถึงว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปจ้องใส่มันนะนี่วันนี้สอนอย่างละเอียดแล้วนะ เราไปทำเอานะได้แค่นี้แหละหมดเวลาแล้วนะอาเชิญไปกินข้าวไป